หนังสือเรื่องกรุงแตกของพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการบทที่สองการรบครั้งแรกแปลว่าคำสาปแช่งที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงให้ไว้แก่ราชวงศ์บ้านพรูหลวงนั้นรู้กันทั่วไปในหมู่ราษดรและทุกคนทราบว่าความอันมีต่างๆนานาที่เจ้านายในราชวงศ์นี้ได้รับเช่นการเชือดเนื้อเถือหนังฆ่าแกงกันเรื่อยๆมาและเป็นโรคสาหรับบุรุษคุธราช ขี้เรือนอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นก็เนื่องมาจากคําสาปแช่งของสมเด็จพระนารายมหาราชการเอามาพร้าวห้าวยัดปากคนนั้นทําได้แต่ก็ไม่สามารถจะปิดปากคนทุกคนไม่ให้กล่าวร้ายพิสูจน์ที่เห็นได้ชัดนั้นคือคําที่เรียกกันว่าขุนหลวงขี้เรือนนั้นเรียกกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ถึงแม้จะมีความไม่พอใจในพระมหากษัตริย์และราชวงศ์บ้านภูหลวงอยู่แล้วก็ดี เลือดนักสู้ของพลเมืองที่ถูกเกณฑ์มาเป็นทหารยังมีอยู่มากทหารทุกคนอยากเผชิญกับกองทัพพมา่าและอยากจะได้ใช้อาวุธของเขาเพื่อสังหารศัตรูถ้าหากมีแม่ทัพในกองดีความประราชัยพ่ายแพ้ก็อาจจะไม่มาถึงแต่แม่ทัพในกองของเขาอย่างน้อยที่ยกกันไปครั้งนี้ล้วนแต่ขาดเขานอกจากจะไม่เคยศึกสงครามเลยแล้วยังขาดความมานะพยายามดูเหมือนว่า ความคิดของแม่ทัพนายกองจะมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการรบเสียได้ก็ดีกองทัพพระราตรองเมืองหรือเรียกเส้ใหม่ทีเดียวว่าพระยายมราชเพราะได้ว่าที่โยมราชคือตำแหน่งจตุสดมฝ่ายเมืองอยู่ได้ข้ามเขาบรรทัดออกไปถึงด่านสิงคอนแล้วก็ได้ความว่าเมืองมาริดและเมืองตะนาวราศรีเสียแกพม่าเสียแล้วนายกองคนหนึ่งพูดว่าโล่งอกไปที หลวงจบไกลแดนถามว่าโล่งอย่างไรครับนายกองตอบว่าเราไม่ต้องลบแล้วหลวงจบถามว่าทําไมจึงไม่ต้องลบครับนายกองตอบว่าก็มาริดและตะนาวสีเสียไปแล้วจะไปลบกับใครหลวงจบไกลแดนถามว่าทําไมเราไม่ลบเอาเมืองมาริดและตะนาวศีคืนนายกองตอบว่าเราได้รับคําสั่งให้ยกกองทัพมาสําหรับป้องกันมาริดและตะนาวสีบัดนี้เมืองทั้งสองนั้นเสียไปแล้ว เราก็ไม่ต้องทำอะไรอีกในขณะที่พูดกันนี้พลทหารที่ปากจัดคือนายแก้วก็ได้ฟังอยู่ด้วยหลวงจบไกรแดนได้สังเกตเห็นสีหน้าของเขาเครียดแค้นแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจนกระทั่งนายกองผู้นั้นไปจากที่นั้นแล้วเขาจึงเข้ามาพูดกับหลวงจบไกรแดนว่าคุณหลวงเห็นไหมครับพวกเจ้าบ้านผ่านเมืองคนใหญ่คนโตเขามีความคิดอย่างไร หลวงจบไกลแดนพยายามพูดเอาใจว่ารอดูไปก่อนน้องชายท่านผู้นี้ไม่ใช่ผู้ตัดสินเด็ดขาดผู้ตัดสินเด็ดขาดนั้นคือท่านเจ้าคุณยมราชผู้เป็นแม่ทัพแต่ท่านเจ้าคุณยมราชผู้เป็นแม่ทัพก็ตัดสินอย่างเดียวกันคือให้หยุดเดินทัพไม่จู่โจมเข้าตีมาริดและตะา n a สีสั่งให้พักกองทัพอยู่ที่แก่งตุ่มในตอนปลายของแม่น้าตะนาวสี ความโกลาหลก็บังเกิดขึ้นในหมู่ทหารว่าจะมาตั้งอยู่ที่นี่ทำไมไม่เฉพาะแต่กองที่หลวงจบไกลแดนประจำอยู่แม้กองอื่นๆก็มีเสียงทหารซุบซิบอย่างเดียวกันทหารคนหนึ่งพูดว่าเราอุตส่าห์ข้ามเขาบรรทัดมาลำบากแทบจะเอาชีวิตเข้าแลกแล้วก็ไม่ได้รบสักหน่อยทหารอีกคนหนึ่งกล่าวว่าท่านแม่ทัพอาจจะมีวิธีการอะไรกระมังทหารคนนั้นพูดว่า ทำไมเราไม่เข้าโจมตีพมา่าเสียทันทีเวลานี้พม่ายังไม่รู้ว่าเรายกมาทหารอีกคนตอบว่านั่นสิฉันก็อยากพบหน้าพม่าเหลือเกินเสียงอย่างนี้เป็นเสียงทั่วๆไปแต่ในกองของหลวงจบไกลแดนนั้นดุนแรงมากกว่ากองอื่นเพราะในแก้วเป็นหัวโจกพูดอย่างดังๆโดยไม่กลัวอะไรในแก้วพูดว่าพวกขี้ขลาดทั้งนั้นพวกนี้ถืออยู่ข้อเดียวคือไม่รบเสียได้ก็ดี หลวงจบไกรแดนพูดว่าท่านแม่ทัพอาจจะมีความดมฤอะไรอยู่แล้วในแก้วตอบว่าไม่ดมฤอะไรหรอกครับเวลานี้กำลังผ่อนพักอย่างสบายเป็นความจริงอย่างที่ในแก้วว่าทางผู้ใหญ่หยุดพักกันอย่างสบายจริงๆในแก้วพูดว่าผมสืบเชื้อสายมาจากเชื้อสายทหารพนารายถ้ามีนายขี้ขลาดอย่างนี้ผมก็ฆ่าได้ หลวงจบไกรแดนได้พยายามเกลี้ยกล่อมเอาใจในายแก้วและพวกพ้องของเขาแต่ความเครียดแค้นของพวกนี้ก็ไม่หมดไปหลวงจบไกรแดนต้องรับรองกับนายแก้วและพวกพ้องที่เรือดร้อนอย่างเดียวกันว่าจะเข้าหาท่านแม่ทัพทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวเป็นแต่เพียงข้าราชการชั้นผู้น้อยก็จะลองทําความพยายามเข้าพูดจากับท่านดูหลวงจบไกลแดนได้ทาความพยายามจนถึงตัวพระยา ย, ยมราชแม่ทัพและกว่าจะเข้าไปพูดกับตัวท่านได้ ก็ด้วยความยากลำบากเพราะหลวงจบเป็นแต่ทหารชั้นผู้น้อยต้องให้ทนายของท่านเรียนแก่ท่านว่ามีเรื่องที่เป็นข้อขาดบาดตายเกี่ยวกับตัวท่านแม่ทัพด้วยท่านจึงยอมให้พบหลวงจบไกลแดนได้เล่าให้ท่านแม่ทัพฟังถึงเรื่องที่ทหารบางพวกบางเหล่าไม่พอใจในการที่มาหยุดทัพอยู่เฉยๆโดยไม่ไปตีพมา่าท่านแม่ทัพถามว่าใครบ้างจดชื่อมาให้ชั้นให้หมดหลวงจบไกลแดนตอบว่า มีประโยชน์อะไรที่กระผมจะให้ชื่อคนเหล่านั้นแก่ใต้เท้าท่านแม่ทัพถามว่าอยากรู้ว่ามีใครบ้างหลวงจบไกลแดนตอบว่าจะเป็นใครบ้างไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าใต้เท้าจะดำริอย่างไรต่อไปท่านแม่ทัพตอบว่าเรื่องดำริอย่างไรต่อไปเป็นเรื่องของฉันหลวงจบไกลแดนพูดว่าถูกแล้วครับแต่ใต้เท้าทาคนเดียวไม่ได้ใต้เท้าต้องใช้ทหารท่านแม่ทัพพระยายมราช พูดว่าทหารก็ต้องคอยฟังคำบังคับบัญชาของแม่ทัพบอกให้หยุดก็หยุดบอกให้รบก็รบหลวงจบไกลยแดนพยายามเกรีกร้กล่อมว่าแต่ทหารก็เป็นคนครับและเมื่อเป็นคนเขาก็ย่อมมีความคิดเขาห่วงใยบ้านเมืองของเขาเหมือนกันท่านแม่ทัพพูดว่าทำไมเธอไม่บอกฉันว่าทหารคนใดบ้างที่พูดตำหนิติเตียนฉันหลวงจบไกลแดนตอบว่าพาะกระผมไม่ต้องการให้เขารับโทษท่านแม่ทัพกล่าวว่า เธออาจจะมาพูดเองก็ได้ฉันไม่เชื่อเลยว่าทหารคนไหนจะบน่นในเมื่อให้พักอยู่เฉยๆไม่ต้องไปรบหลงจบไกายแดนตอบว่าแต่ทหารที่รักบ้านรักเมืองก็มีมากครับท่านแม่ทัพสงสัยว่าฉันสงสัยว่าเธอมาพูดเอาเองทั้งนั้นหลงจบกลายแดนจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นก็ผมก็ไม่กราบเรียนอะไรต่อไปอีกพูดเสร็จก็ลุกขึ้นเพื่อจะกลับออกมาแต่ท่านแม่ทัพกลับเรียกไว้เดี๋ยวก่อน หลงจบกลับเข้าไปท่านแม่ทัพนิ่งนึกคนนึงอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วพูดว่าพวกทหารเขาคิดว่าฉันควรจะทำอย่างไรหลวงจบไกลแดนจึงตอบว่าเขาว่าเราควรจะเข้าตีพมา่าเพราะเวลานี้พมา่ายังไม่รู้ว่าเรายกมาหนทางที่เราจะเอาชนะพะมา่ายังมีได้มากท่านแม่ทัพได้ฟังกลับตอบว่าเราได้รับคำสั่งว่าให้มามป้องกันรักษาเมืองมาลิแต่เดี๋ยวนี้เมืองมาลิก็เสียไปแล้ว เราก็หมดหน้าที่ตะนาวสีก็เหมือนกันเสียไปแล้วแต่หลวงจบกลแดนพูดว่า<_ <EN> _>ก็ผมเข้าใจว่าหน้าที่ของเรานั้นคือทำให้มริดและตะนาวสีเป็นของเราถ้ายังไม่เสียเราก็ไปป้องกันรักษาถ้าเสียไปแล้วเราก็ต้องไปตีคืนมา<_ <EN> _>ท่านแม่ทัพพูดอย่างผู้ใหญ่ว่า<_ <EN> _>เธอยังเด็กมากน้องชายเมื่อฉันเป็นหนุ่มอย่างเธอฉันก็เหี้ยมหานและใจร้อนเหมือนเธอและพวกของเธอ แต่เดี๋ยวนี้ฉันรู้ว่าวิธีปฏิบัติราชการนั้นเราจะทำอะไรให้ล่วงล้ำกั้ำเกินไปจากคำสั่งที่เราได้รับนั้นไม่ได้หลวงจบไกลแดนพูดว่ามันจะเป็นโทษเป็นภัยอะไรหรือครับถ้าเรายกกองทัพข้อตีพมา่าในมฤตและตะนาวสีเอาเมืองของเรากลับคืนมาจะไม่เป็นความดีความชอบหรือครับท่านแม่ทัพตอบว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดมากการทาอย่างที่เธอว่าเป็นการเสี่ยงเหลือเกินถ้าตีได้ก็ตีไป แต่ถ้าตีไม่ได้ล่ะถ้าเราเข้าตีแล้วยังตีไม่ได้ต้องถอยทัพกลับกรุงศรีอยุธยาเธอรู้หรือไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรฉันต้องถูกตัดหัวแน่เพราะไม่ได้มีพระกระแสรับสั่งให้ไปตีแล้วเราไปตีเข้าถ้าตีได้ก็ดูเหมือนจะเสมอตัวแต่ถ้าตีไม่ได้เราตายแน่หลวงจบไกรแดนได้เก็บเอาถ้อยคำของท่านแม่ทัพมาคิดแล้วก็เห็นคล้อยตามท่านไปบ้างว่าเป็นความจริงการปฏิบัติราชการนั้น มีความยากลำบากอยู่มากเหมือนกันไม่ใช่แต่เพียงว่ารักบ้านเมืองรักเกียรติกล้าหาญเสียสละแล้วทำอะไรไปจะเป็นความดีเสมอบางทีอาจเป็นความร้ายถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ฉเฉลียวฉลาดอย่างสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จ พ, พระเอกาทศรสหรือสมเด็จพระนารายก็ไม่เป็นไรแต่สาหรับคนโง่เขลาอย่างขุนหลวงที่เรือนทุกคนต้องระวังตัวอย่างที่ท่านแม่ทัพว่า หลวงจบกลแดนเดินถามท่านแม่ทัพต่อไปว่าแล้วเราจะตั้งพักกันอยู่อย่างนี้หรือครับท่านแม่ทัพย้อนถามว่าเธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอที่ฉันพูดนะ่ยหลวงจบไกลแดนยังถามต่อไปว่าเข้าใจครับแต่กระผมหมายความว่าเราจะพักอยู่เฉยๆอย่างนี้เองหรือท่านแม่ทัพย้อนว่าเธอจะให้ทำอะไรหลวงจบพูดว่าเราไม่ตั้งค่ายตั้งเครื่องกบาบังป้องกันหรือเตรียมต่อต้านการถูกโจมตีบ้างหรือครับ ท่านแม่ทัพตอบว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่ฉันได้ขอคำสั่งเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยาแต่หลวงจบพูดว่าแต่กว่าจะมีคำสั่งออกมาก็คงเป็นเวลานานมากถ้าเราจะตั้งอยู่ที่นี่พเพื่อรอคำสั่งเราก็น่าจะสร้างค่ายคูป้องกันแต่ท่านแม่ทัพกลับเห็นไปว่าถ้าไปสร้างค่ายคูเข้าก็เท่ากับบอกให้พม่ารู้ว่าเราอยู่ที่นี่แลวเราก็ต้องถูกโจมตีหลวงจบไกลแดนได้ฟังจึงพูดว่า แต่ใต้เท้ากรุณาแน่ใจหรือครับว่าเราอยู่อย่างนี้พม่าจะไม่รู้ท่านพญาโยมาราชเริ่มรู้สึกโกรธตอบว่าฉันรู้สึกว่าเธอออกจะสอนฉันมากเกินไปรอให้เธอเป็นแม่ทัพซะก่อนแล้วจึงค่อยสอนฉันหลวงจบไกลแดนตอบว่าครับแล้วก็ออกมาคราวนี้ท่านแม่ทัพไม่เรียกกลับเข้าไปพูดอีกลงจบไกรแดนกลับมาชี้แจงแก่นายแก้วและพักพวกของเขา ได้พยายามชี้แจงไปในทางที่จะสงบความเลือดร้อนของนายแก้วและทหารที่ขุ่นเคืองพากันคิดเห็นว่าเขามีแม่ทัพที่เก้เต็มทีวันหนึ่งสองวันสามวันล่วงไปและกองทัพก็พักอยู่ที่ปลายแม่น้ำตะนาวสีโดยไม่มีค่ายคูป้องกันซ้ำไม่มียามลาดตระเวนดูเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดพอถึงวันที่สีเหตุการณ์ที่คาดหมายก็บังเกิดขึ้น กองทัพพม่าในบังคั บ, บังชาของมังคองนรทาเข้าโจมตีกองทัพพระยายมราโดยไม่รู้ตัวไม่ได้วางแผนการสำหรับต่อสู้ทหารที่เฮี้ยมหานมีพักพวกของนายแก้วเป็นต้นรวมทั้งตัวนายแก้วและหลวงจบไกลแดนเองได้ทำการสู้รบกับพม่าโดยไม่ต้องรับคำสั่งจากใครแต่ท่านแม่ทัพและพวกขุนน้ำพระยานกองทั้งหลายพากันหนีหมดกองทัพส่วนใหญ่ก็หนีไปด้วยหนีอย่างแตกกระจัดกระจาย ถูกพมา่าฆ่าฟันล้มตายเป็นอันมากโดยที่พมา่าไม่มีเจตนาที่จะเข้ากรุงศรีอยุธยาในครั้งนี้พมา่าจึงไม่ได้ติดตามมาเมื่อกองทัพส่วนใหญ่ถอยหนีพมา่าก็ไม่ได้ติดตามมาไกลหลวงจบไกลแดนในแก้วและพักพวกที่เหี้ยมหานของเขาแม้เป็นบุคคลส่วนน้อยก็ไม่ยอมถอยได้ใช้ปืนยิงทหารพรมาร่าอยู่ตลอดเวลาส่วนที่เข้าใกล้ตัวได้ก็ใช้ดาบพิฆาตฟาดฟัน เขาภูมิใจที่เขาฆ่าทหารพม่าได้เป็นจำนวนไม่น้อยเขาร้องบอกสัญญากันว่าเขาจะไม่ถอยแม้จะถูกพม่าห้อมล้อมรุมเข้ามาเขาก็จะเอาหลังชนกันสู้รบอยู่จนตายด้วยกันแต่พม่าก็ไม่ได้เข้ามารุมล้อมเมื่อพม่าเห็นกองทัพส่วนใหญ่ถอยหนีไปแล้วก็ตีค้องเรียกทหารทั้งหมดกลับหลงจบไกลแดนนยแก้วและพักพวกรอดชีวิตได้เพราะพม่าถอยกลับไปเอง เขายืนดูอยู่จนกระทั่งกองทัพพม่าถอยไปแล้วเขาจึงค่อยๆเดินกลับกันทั้งพวกเดินผ่านศพของทหารไทยที่ถูกพม่าฆ่าล้มตายก่ายกองหลวงจบไกลแดนพูดกับพวกเพื่อนร่วมตายว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยนายแก้พูดพร้อมด้วยอาการกัดฟันอย่างเครียดแค้นที่สุดว่าเพราะเรามีแม่ทัพที่เก้เต็มทีมันจึงได้เป็นอย่างนี้ในชั้นแรกเขามีความคิดว่าจะเผาศพเพื่อนที่ตายเสียก่อน แต่เผาไม่ไหวศพที่ล้มตายอยู่เกินกราดไม่ใช่จำนวนสิบจำนวนร้อยแต่เป็นจำนวนพันเป็นที่เชื่อว่าในบรรดาทหารสามพันที่มีมาในกองทัพนี้เหลือไปได้สักครึ่งหนึ่งก็เป็นบุญเขาได้พยายามเดินตรวจดูทหารที่ตายไม่พบแม่ทัพในกองเลยชนคนเดียวแปลว่าท่านพวกนั้นหนีเอาตัวรอดเป็นหมดความรู้สึกโทมนัสใจได้บังเกิดขึ้นแกหลวงจบไกลแดนในครั้งนี้เป็นอันมาก เขาบอกให้ในายแก้วและทหารทั้งหลายล่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวเขาหยุดดูเพื่อนทหารที่ถึงแก่ความตายบางคนเป็นคนรู้จักกันบางคนเคยเป็นเพื่อนกันบางคนก็เกี่ยวเป็นญาติพี่น้องเขามีความภูมิใจอยู่อย่างหนึ่งที่มีศพอย่างน้อยร้อยศพล้มหงายและถูกอาวุธข้างหน้าแสดงว่าได้ต่อสู้จนถึงแก่ความตายแต่โดยมากล้มคว่ำและถูกอาวุธข้างหลังซึ่งแสดงว่า ถูกกระทำร้ายในขณะที่หนีแต่พวกเหล่านี้ก็ไม่ควรจะได้รับการตำหนิเพราะถ้าเขามีผู้บังคับบัญชาที่ดีเขาก็คงจะสู้อย่างทรหยหลวงจบไกลแดนที่เสียเวลาอยู่ช้านานในการดูศพคนนั้นคนนี้ส่วนนายแก้วกับพรรคพวกของนายแก้วนั้นได้รับไปทางชายทุ่งข้างนู้นแล้วเมื่อดูศพเพื่อนร่วมชาติทั้งหลายเป็นที่พอใจแล้วหลวงจบไกลแดนก็เดินกลับมาโดยไม่รีบร้อน เขาไม่จำเป็นต้องรีบร้อนไปให้ทันกองทัพเพราะเป็นเรื่องถอยหนีถึงทันเมื่อไหร่ก็ช่างเขาเดินผ่านทุ่งและผ่านโนนสองสาแห่งเป็นเวลาราวสองสามชั่วโมงพอจะเข้าโนนอีกแห่งหนึ่งจึงได้พบทหารซึ่งเป็นพรรคพวกของนายแก้วคนหนึ่งคอยดักเขาอยู่ที่ปากทางบอกเขาว่านายแก้วให้เชิญหลวงจบไกลแดนเข้าไปทางขวามือหลวงจบไกลแดนตามทหารคนนั้นเข้าไปเขาก็ได้พบภาพที่ประหลาดใจคือ พระยายมราชท่านแม่ทัพอยู่ภายในวงล้อมของนายแก้วและพักพวกท่านแม่ทัพนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ท่าทางเหนื่อยอ่อนนายแก้วและพักพวกถือดาบล้อมอยู่รอบข้างในชั้นแรกหลวงจบไกลแดนเข้าใจว่าพวกนี้ยังจงรักพักดีต่อท่านแม่ทัพอยู่เฝ้ารักษาความปลอดภัยให้แต่เมื่อซักถามก็ได้ความตรงกันข้ามคือได้ความว่าพวกนี้เดินตามมาทันท่านแม่ทัพ ซึ่งกระปกกระเปียล้าหลังอยู่เลยลากตัวเข้ามาทางนี้เขายังให้เกียรติแก่ท่านแม่ทัพที่ไม่ผูกมัดพันธนาการอย่างไรแต่บอกว่าเขาจะต้องชําระโทษท่านแม่ทัพที่เอาทหารมาตายอย่างโ ง, โง่หยุดพักอยู่ตั้งสามวันยังไม่สร้างเครื่องป้องกันและพอถูกโจมตีก็เปิดหนีเขาจะต้องพิพากษาโทษกันในป่านี้หลวงจบไกลแดนพูดว่าเพื่อนรักเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดของท่านแม่ทัพ ในแก้วร้องถามว่าแล้วเป็นความผิดของใครหลวงจบไกลแดนตอบว่าท่านแม่ทัพก็มีความตั้งใจดีต่อพวกเราอยากให้เราได้พักผ่อนเพราะเราต้องเดินทางลำบากตรากตรำมาไม่อยากให้ต้องขุดคูปลูกระเนียดข้ายหรือบางทีท่านอาจจะตั้งใจว่าให้เราผ่อนพักให้หายเหนื่อยเสียก่อนจึงค่อยสร้างเครื่องป้องกันแต่เพอเอิญพมา่ามาตีเราโดยไม่รู้ตัวในแก้วถามว่าแล้วทาไมท่านหนี ไม่อยู่บัญชาการต่อสู้หลงจบไกลแดนตอบว่าท่านอาจจะอยู่บัญชาการต่อสู้จนกระทั่งวาระสุดท้ายก็ได้การที่พวกเราตามท่านมาทันที่นี่แสดงว่าท่านมาเป็นคนสุดท้ายแต่ในแก้พูดว่าถ้าท่านอยู่เป็นคนสุดท้ายท่านก็คงจะได้พบกับพวกเราแต่ที่เรามาพบท่านที่นี่ไม่แสดงว่าท่านหนีเป็นคนสุดท้ายท่านอาจจะหนีก่อนคนอื่นก็ได้แต่ท่านไม่เคยเดินเท้า เคยนั่งแต่คานหามกั้นสัปปทนมาถูกบุกป่าเข้าเลยไปไม่ไหวหลวงจบไกรแดนได้พยายามชี้แจงอยู่อีกเป็นเวลาช้านานและขอให้ทหารและท่านแม่ทัพให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะงานข้างหน้ายังมีอีกมากท่านเจ้าคุณย ม, มาราชแม่ทัพให้สัตยปฏิญาณว่าถึงแม้ท่านจะกลับไปถึงกรุงศรีอยุธยาได้ท่านก็จะไม่เอาโทษทหารพวกนี้ที่บังอาจล่วงเกินถึงกับจะพิพากษาโทษท่านในป่า ท่านให้สัตยปฏิญาณอีกอย่างหนึ่งว่าขอให้ท่านได้ออกรบอีกสักครั้งหนึ่งท่านจะสู้ศัตรูจนกระทั่งถึงที่สุดและจะเอาหลงจบไกลแดนในแก้วกับทหารพวกนี้ไว้กับท่านถ้าท่านหนีเหมือนคราวนี้ขอให้พวกนี้ฆ่าท่านเสียเมื่อได้ทําความตกลงกันอย่างนี้แล้วหลงจบไกลแดนในแก้วและพักพวกก็พาพระยายมราชเดินทางกลับพระยายมราชพูดกับหลงจบไกลแดนเมื่อเดินทางมาด้วยกัน ในระยะห่างจากทหารคนอื่นๆว่าฉันต้องขอขอบใจเธออย่างมากหลวงจบไกรแดนพูดว่าขอให้ได้เท้าแน่ใจว่าเลือดต่อสู้ของทหารเรายังไม่หมดไปขออย่างเดียวแต่ให้มีนายที่ดีแล้วเราจะสู้พม่าได้นี้เป็นพฤติการทางกองทัพของพระยายมราชส่วนทางกองของพระยาลัตนาทิเบศก็มีเรื่องสำคัญไม่น้อยที่หลวงจบไกลแดนเห็นพม่ารเรียกทหารทั้งหมดกลับไปนั้น อันที่จริงไม่ได้กลับเป็นแต่เรียกเป็นรวมพลแล้วก็เดินวกลงอีกทางหนึ่งโดยไม่ติดตามกองทัพพระยายมราาที่แตกหนีแต่พมา่าวกลงไปทางเมืองกุยเพราะพะมา่ารู้ว่ามีกองทัพ อ, อีกกองหนึ่งของพระยารัตนาธิเบศอยู่ที่นั่นฐานะของหลวงแสนพลาพ่ายที่อยู่ในกองทัพของพระยารัตนาธิเบศนั้นผิดกันกันกบฐานะของหลวงจบไกลแดนในกองทัพพระยายมราชหลวงจบไกลแดน อยู่ในฐานะเล็กน้อยและคลุกคลีอยู่กับกองทหารกว่าจะเข้าถึงตัวท่านแม่ทัพได้บ้างก็ด้วยความยากลําบากแต่หลวงแสนพลพ่ายไม่แน่ว่าจะเคราะห์ดีหรือเคราะร้ายของตัวบังเอิญเกิดถูกตาถูกใจท่านเจ้าคุณรัตนาธิเบตท่านเลือกเอาไว้ใช้ใกล้ชิดท่านหลวงแสนพลพ่ายเลยได้อยู่ใกล้แม่ทัพพฤติการอีกอันหนึ่งที่ผิดแปลกกันในระหว่างกองทัพพระยายมราชกับกองทัพพระยารัตนาทิเบศนั้น ก็คือพญายมมาชเป็นคนประมาทไม่ระมัดระวังไม่สืบข่าวล่าตะเวนไม่พยายามรู้กําลังและทางเดินของข้าศึกส่วนพญาลัตนาทิเบศนั้นตรงกันข้ามท่านผู้นี้เป็นคนหูไวตาไวอยู่โดยลักษณะพยายามที่จะสืบรู้ทุกทิศ ท, ทุกทางว่าการรบด้านอื่นเป็นอย่างไรข้าศึกกาลังเดินมาทางไหนมีกําลังมากน้อยเท่าใดท่านผู้นี้ร่วงรู้เป็นส่วนมากและรู้ถูกต้องตามที่เป็นจริง ซ้ำยังมีความชำนิชำนาญในภูมิประเทศดีกว่าพระยายมราชเมื่อไปตั้งอยู่ที่เมืองกุยแล้วท่านผู้นี้ก็ทราบว่าถ้าพม่าจะยกมาทางนี้ก็จะต้องผ่านอ่าวว่าขาวซึ่งเป็นที่แคบคับขันมีที่ราบเป็นทางเดินอยู่แต่ตอนริมทะเลข้างในเข้าไปไม่สามารถจะใช้เป็นทางเดินได้เพราะเป็นภูเขาเทือกติดต่อกันไปจนกระทั่งถึงเขาบรรทัดการสกัดทางเดินของทัพพม่าในทางนี้ ไม่มีที่ไหนจะดีกว่าอ่าว่าขาวซึ่งถ้าเอาทหารไปจุกเข้าไว้ที่นั่นก็สามารถจะสกัดกั้นได้เป็นเวลานานหรือสามารถจะสกัดไว้ได้ทีเดียวโดยใช้คนจำนวนน้อยสู้กับข้าศึกจำนวนมากเจ้าคุณรัตนทิเบตมีเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งมาด้วยคือกองอัทมาศกองวิชาอาคมของขุนรองประหลัดชูท่านสั่งให้กองอัทมาตทั้งกองไปอุดช่องทางเดินของพามา่อยู่ที่อาวว่าขาว ส่วนกองทัพของท่านจํานวนสองพันก็ตั้งมั่นอยู่ที่เมืองกุยหลวงแสนพลพภาพ ย, ยังจดจําคําของนิ่มนวลภริยาหลวงจบไกรแดนว่าพระยายรัตนาธิเบศเป็นคนที่รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเขาได้คิดคาดหมายว่าการที่พระยายรัตนาธิเบศเอากองอัทมาศไปจุกช่องพมา่าไว้ที่อ่าวว่าขาวนั้นอาจจะเป็นเจตนาของพระยายรัตนาธิเบศที่จะปล่อยให้กองอัทมาศ ต, ตายทั้งกอง และตัวเองหลบหนีไปก็ได้เขารู้สึกว่าหน้าที่ของเขาคือการรบเขาเชื่อว่าถ้าเขายังอยู่กับพระยาลัตนาธิเบศเขาอาจจะไม่ได้ทำการรบเลยก็ได้หลวงแสนพล่ายพูดกับพระยาลัตนาธิเบศโดยถือว่าเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพอจะพูดกับผู้ บ, าาบัญชาได้โดยสะดวกว่าทำไมเราไม่ยกไปจุกช่องกันทั้งกองเจ้าคุณอธิบายว่าการรบต้องทาเป็นขั้นๆ เราให้กองอัตมาศเข้าไปประทะก่อนถ้าเหลือกำลังของกองอัตมาศเราก็เข้าช่วยหลวงแสนพลพ่ายกล่าวว่าถึงอย่างไรก็เหลือกำลังแน่ครับเพราะกองอัตมาศมีกำลังคนเพียง400คนพม่าต้องยกมาเป็นจำนวนพันพญารัตนาทิเบตตอบว่าแต่กองอัตมาศได้เปรียบสองอย่างอย่างหนึ่งคือภูมิประเทศที่นั่นเป็นทางแคบข้างหนึ่งเป็นเขาอีกข้างหนึ่งเป็นทะเล คนน้อยก็อาจสู้คนมากได้หลวงแสนพลพภาพเถียงว่าไม่แน่ครับถ้ามารบกันใหม่ในช่องแคบคนน้อยก็ตายก่อนคนมากท่านเจ้าคุณรัตนาทิเบศพูดว่าแต่กองอัตมาศเป็นกองที่มีวิทยาคมอยู่ยงคงกระพันหลวงแสนพลพภาพายแย้งว่าใต้เท้าเชื่อด้วยหรือครับท่านเจ้าคุณตอบว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามทีแต่กองอัตมาศเขาเชื่อตัวเขาก็ต้องปล่อยให้เขาลองดู หลวงแสนพลภ า, ายพูดว่าถ้าไต้เท้าประสงค์จะลองก็ผมคิดว่าเราไปอยู่ด้วยกันให้กองอธรรมาติเคารพก่อนก็ได้ถ้าเห็นว่าท่าจะเพลี้ยงพล้ำเราก็เข้าช่วยทันทีพยาลัตนาธิเบศถามว่าช่วยที่ไหนหลวงแสนพลภ า, ายตอบว่าช่วยรบที่ช่องแคบอ่าวว่าขาวนั่นเองพยาลัตนาธิเบศตอบว่าแล้วถ้าเราแตกจากที่นั่นจะเอากาลังที่ไหนป้องกันการรุกของพอม่าอีก หลวงแสนพลพ่ายพูดว่าก็ยังเหลืออีกสองด่านคือเพชรบุรีกับราชบุรีเจ้าคุณตอบว่าคิดอย่างเธอไม่ถูกมันต้องรบเป็นสองตอนให้กองอัธมาต ร, รบกันในช่องแคบก่อนเราคอยอยู่ที่นี่ถ้าเสียกองอัธมาตรพมาร่ายังจะพบเราที่นี่รบกันเป็นยุคที่สองพมา่าอ่อนเพลียกำลังของเรายัางดีเราอาจจะตีพม่าแตกพ่ายไปได้หลวงแสนพลพ่ายตอบว่าถ้าใต้เท้าคิดอย่างนั้น ก็ลงไปตีกันที่อ่าวว่าขาวดีกว่าครับเจ้าคุณรัตนาทิเบตพูดว่าดีกว่าอย่างไรหลวงแสนพลพ่ายพูดว่าเพราะใต้เท้าบอกเมื่อตะ ก, กี้นี้ว่าที่อ่าวว่าขาวนั้นชายภูมิเหมาะสําหรับป้องกันกระผมจึงคิดว่าถ้าพวกเราลงไปทั้งหมดรบกันทั้งกองที่อ่าวว่าขาวเราจะกั้นพม่าอยู่พ้นอ่าวว่าขาวมาแล้วเราเสียเปรียบเรื่อยท่านแม่ทัพพูดว่าเธอออกจะรู้ดีกว่าแม่ทัพปีเอีกนะ หลวงแสนพลภาษตอบว่าเปล่าครับก็ผมมีความเห็นอย่างนี้ก็กลาบเรียนให้ได้เท้าทราบเพราะกระผมเชื่อมั่นว่าถ้ากองทัพของเราไปรบที่อ่าวว่าขาวไม่ปล่อยแต่กองอธมาศเราจะกั้นพม่าอยู่ท่านแม่ทัพตอบว่าเธออยากไปก็ไปคนเดียวสิหลวงแสนพลภาษกลับตอบว่าครับผมยินดีไปท่านแม่ทัพได้ยินก็ตกใจถามว่าฮะว่าอะไรนะหลวงแสนพลภ า, ากล่าวว่า กระผมยินดีไปกับกองอัตมาศท่านแม่ทัพจึงพูดว่าดีเหมือนกันเธอไปซิกก็ดีเพราะฉันเริ่มต้นจะเบื่อเธอที่มาสอนฉันมากนักหลวงแสนพลภาพตกลงไปกับกองอัรมาศซึ่งตัวเองมิใช่พวกอธมาศและไม่มีวิทยาคมอันใดแต่ก็อยากเห็นการรบให้รู้จักไว้สักครั้งหนึ่งพยาลัตนาธิเบศได้ส่งตัวหลวงแสนพลภ า, าให้แก่ขุนรองประหลัดชูในกองอัรมาศบอกว่า หลวงแสนพลพ่ายสมัครไปด้วยหลวงแสนพลพ่ายถามว่าให้ใครเป็นนกองขุนรองประลัดชูกล่าวว่าให้คุณหลวงเป็นนายกองหลวงแสนพลพ่ายย้อนถามอีกว่าผมน่ะหรือขุนรองประลัดชูตอบว่าคุณหลวงนั่นแหละครับขอให้เป็นนายกองอัธมราชผมจะเป็นผู้ช่วยหลวงแสนพลพ่ายถามว่าเพราะเหตุอะไรขุนรองประหลัดชูตอบว่าเพราะคุณหลวงอยู่ในฐานะสูงกว่าผมคุณหลวงเป็นหลวง ผมเป็นแตกขุนรองประหลัดหลวงแสนพลพ่ายกล่าวว่าเอาเถอะไม่ต้องนึกถึงเรื่องนั้นท่านเป็นอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมผมเป็นลูกศิษย์ขอให้รับผลเป็นลูกศิษย์ใหม่คนหนึ่งผมจะไปกับท่านในฐานะเป็นลูกศิษย์ของท่านผมเกิดมาไม่เคยลบราฆ่าฟันชื่อแสนพลพ่ายมันเป็นแต่ชื่อได้เปล่าเปล่าขอให้ได้อลกรสียสักครั้งหนึ่งเป็นอันว่า ลุงแสนพลพภาพาได้ไปกับขุนรองประหลัดชูอย่างเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กองอธรรมาตได้ยกไปตั้งมั่นอยู่ที่อ่าวว่าขาวและตลอดเวลาที่พักอยู่ที่นั่นก็ได้ทําพิธีกรรมเสกเป่าและวิธีการอื่นๆอีกหลายอย่างหลายประการหลวงแสนพลพภาพาเองก็ได้รับการเสกเป่าลงกระหม่อมสักและอื่นๆสุดแต่อาจารย์จะทําให้เขากลายเป็นกองอธรรมาตที่แท้จริงไปหลวงแสนพลพภาพา ไม่เคยเชื่อเรื่องเวทมนต์คาถาแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากสำหรับปลุกกำลังใจสิทธิของขุนรองประหลัดชู400คนล้วนแต่มีความเข้มแข็งแน่ ว, แ น, วแน่ในชัยชนะและมีเลือดนักสู้อยู่ทุกๆหยาดทุกคนได้แสดงความปรารถนาที่จะให้พมา่าผ่านมาและทุกคนก็มั่นใจว่าจะทำการสู้รบจนถึงที่สุดส่วนมากเป็นชาววิเศษชัยชาญมีหลายคนที่เป็นชาวเมืองสิงบุรีและเมืองสค์ เขาเป็นทหารที่ดีที่สุดที่กรุงศรีอยุธยามีอยู่ในเวลานี้ในที่สุดเวลาที่คอยอยู่ก็มาถึงมองจากที่สูงทหารพรม่าได้เดินมาเป็นทิวแถวและเห็นและได้ยินเสียงจากระยะไกลเห็นทหารและม้าเดินได้ยินพรวนม้าซึ่งพม่าชอบผูกเป็นพวงใหญ่ตัวขุนรองประหลัดชูซึ่งเป็นอาจารย์ไม่ได้นั่งบริกา ร, รมทําเวทมนต์อะไรเขาถือดาบมั่นอยู่ในมือของเขาทั้งสอง ซุ่มอยู่ตามต้นไม้บนภูเขาปล่อยให้กองทัพพมา่าเดินเข้าช่องแคบแล้วปืนก็ลั่นออกไปจากทิวเขาที่ซุ่มซ่อนกันอยู่นั้นอันที่จริงถ้ากองอัทมาห์ทั้งกองมีปืนครบมือถึงแม้ไม่มีวิทยาคมอันใดก็คงจะสามารถกั้นทางพมา่ามิให้ผ่านอ่าว่าขาวมาได้แต่พวกนี้ทั้งหมดมีปืนไม่ถึงห้กระบอกพญารัจนาธิเบศไม่ยอมให้ปืนม า, มากบอกว่าปืนหายากดินดำและกระสุนก็หายากด้วย อย่างไรก็ดีในขณะที่ปืนยิงลงไปก็ทำความแตกตื่นแก่ทหารพรมาร่ามากพอใช้พมา่าได้ยิงโต้อตอบขึ้นมาฝ่ายกองอัถรรตก็ยิงจนหมดกระสุนดินดำการที่มีปืนยิงนั้นเป็นผลดีและผลร้ายเท่าๆกันเพราะเริ่มยิงในเวลาที่ทหารพรมาร่าเต็มหน้าอ่าวโดยหวังว่าจะยิงให้ตายได้มากแต่เมื่อปืนลั่นลงไปก็มีทหารพรมาร่าเป็นจนวนมากหลายวิ่งขึ้นไปทางเหนือ ส่วนที่อยู่ทางใต้ยังมีอีกเป็นจํานวนพันเมื่อหมดกระสุนดินดําพวกกองอาถม่าทั้งหมดก็ทิ้งปืนชักดาบวิ่งลงมาจากภูเขาขุนรองประลัดชูเป็นคนนําหน้าและต่อจากนี้ก็เป็นการสู้รบอย่างตะลุมบอลถึงตัวทางเสียเปรียบของกองอารม่านนั้นคือทหารพรมา่าที่ขึ้นไปทางเหนือแล้วย้อนกลับลงมากองอาถม่าจึงตกอยู่ในท่ามกลางวงล้อมทั้งสด้านด้านเหนือด้านใต้เป็นทหารพรมา่าด้านตะวันตกเป็นภูเขา ด้านตะวันออกเป็นทะเลเวลาที่เริ่มรบกับพมา่าเป็นเวลาเช้าแดดยังไม่ร้อนและเป็นการสู้รบที่แท้จริงหลุงแสนพลภาพภูมิใจตัวเองที่ได้มาในกองนี้เพราะได้เห็นการรบได้เผชิญสงครามที่ถึงเนื้อถึงตัวเขาเองได้ใช้ดาบบุกเข้าฆ่าฟันทหารพรมาร่าและเขาจำได้ว่าเฉพาะตัวเขาเองเท่านั้นเขาฆ่าทหารพรมาร่าตายไม่น้อยกว่าเจ็ดคนเขาเชื่อว่า เขาได้ทํางานไม่แพ้คนทั้งหลายในกองอัตมาศการสู้รบได้เป็นไปโดยไม่หยุดหย่อนพม่าได้หนุนเนื่องเข้ามาโดยไม่ขาดสายถ้าหากว่าพระยาลัตนาธิเบศได้ส่งกองทัพมาช่วยตีทางด้านเหนือพม่าต้องพ่ายแพ้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะชายภูมิเป็นที่ได้เปรียบของฝ่ายพม่าสี่พันเราก็สามารถจะสู้ได้แต่คอยแล้วคอยอีกกองหนุนของพระยาลัตนาธิเบศก็ไม่มาเรื่องวิทยาอาคมนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามที แต่ก็เป็นเครื่องบวบุงกำลังใจของกองอาธรมาศอย่างเหลือเกินทุกคนสู้ทุกคนฆ่าพมา่าได้ไม่มากก็น้อยแต่พมา่ามีจํานวนมากกว่าเกือบสิบเท่าและพอสายเข้าน้ําทะเลก็ขึ้นมาไม่รู้ว่าน้ําทะเลจะขึ้นมาช่วยฝ่ายไหนน้ําทะเลยิ่งสูงที่ที่จะรบกันก็ยิ่งแคบเข้าแดดกล้า ย, ยิ่งขึ้นทุกทีความเหน็ดเหนื่อยสุดที่พรรณน า, นาการรบสู้กันด้วยดาบสู้กันอยู่ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง เป็นการหนักเหลือกำลังมนุษย์ถึงแม้จะกล้าแข็งและมีวิทยาคมดีสักเพียงไรก็ไม่สามารถจะทนทานกับความเหน็ดเหนื่อยต่อไปได้กองอัตมาตได้ล้มตายลงเป็นอันมากเพราะเรื่องอยู่ยงคงกระพันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เชื่อถือได้เสมอไปบางทีเวลาเหนื่อยเข้าความคลั้งอาจจะเสื่อมหายยิ่งสายเข้าคนของกองอัตมาศก็เหลือน้อยลงทุกทีแต่สำหรับขุนรองประหลัดชูนั้นเห็นจะอยู่ยงคงกระพันจริง เพราะไม่ปรากฏว่าบาดเจ็บและคงสู้อยู่ได้ตลอดเวลาหลวงแสนพล้าพาร้องบอกขุนรองประลัดชูว่าสู้เขาอาจารย์ผมยังอยู่ด้วยขุนรองประลัดชูหันมายิ้มแล้วก็สู้ต่อไปในที่สุดขุนรองประหลัดชูเองก็ล้มล้มด้วยความเหน็ดเหนื่อยพม่าเขากรุมรุมจับไม่รู้ว่าลากตัวไปทางไหนอาธรรมาศบางคนเมื่อเห็นอาจารย์ถูกจับไปก็พยายามหนี ทางนี้มีอยู่ทางเดียวคือวิ่งลงน้ําซึ่งพมา่าไม่ติดตามลงไปแต่ที่นั่นเป็นทะเลยิ่งกําลังเหนื่อยมากลงไปในน้ําก็เท่ากับไปหาที่ตายที่ตายด้วยน้ําก็มีเป็นอันมากส่วนหลวงแสนพลรพ่าเองแม้จะเหลือพวกอยู่น้อยเต็มทีก็ยังสู้โดยไม่ลดละเขาถูกอาวุธบาดเจ็บบ้างแต่ไม่ใช่ที่สําคัญแขนขวาของเขายังดีอยู่และเขาก็สู้ต่อไป แต่มีครั้งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าถูกฟันหรือถูกตีที่ศีรษะเขาล้มลงแล้วก็ไม่ได้สติไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอีกต่อไปหลวงแสนพรภัยรู้สึกตัวขึ้นในเวลาซึ่งเขาไม่รู้ว่ากี่ทุ่มกี่ยามรู้แต่ว่าเป็นเวลากลางคืนเงียบสงบแสงจันทร์ส่องทะเลงามระยะเป็นทิวยาวอ่าวว่าขาวได้เปลี่ยนสภาพจากความอึกระทึกครึ่งเมื่อเชา้านี้มากลายเป็นที่เงียบสงับรอบๆตัวเขา มีคนตายอยู่ดาราดาษเครื่องแต่งกายของคนตายแสดงว่าพาม่าตายมากกว่าคนไทยหลายเท่าเขาพยายามรำลึกพยายามทบทวนความจำตั้งปัญหาหลายข้อถามตัวเองและในที่สุดเขาก็เข้าใจสิ่งที่เขาจำได้ในวาระสุดท้ายคือการกระทบอย่างแรงที่ศีรษะซึ่งจนบัดนี้เขายังรู้สึกปวดร้าวเขาคงถูกตีหรือถูกฟันแล้วก็ล้มลงพาม่าคงนึกว่าเขาตายแล้ว ก็ไม่ทำอันตรายอะไรอีกต่อไปเขารอดตายได้อย่างเทพเจ้าช่วยแท้เขานึกคำนวณวันขึ้นแรมมองดูดวงพระจันทร์ในท้องฟ้าพอคาดคะเนได้ว่าเป็นเวลาราวสองยาม